พระอาจารย์เสากันตะศีลเถระวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศักราช2402ถึง2484 ศาสณานี้มีผลอ น, นิสงใหญ่ยิ่งกว่าทานศีลพรมวิหารภาวนาย่อมทำให้ผู้เจริญนั้นมีสติไม่หลงเมื่อทำกาละกิริยามีสุขติพบคือมนุษย์และโลกสวรรค์ เป็นไปในเบื้องหน้าหากยังไม่บรรลุผลทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานถ้าอุปนิสัยมักผลมีก็ย่อมทำให้ผู้นั้นบรรลุมักผลทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินี้นั่นเทียว ยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องตั้งอยู่ในธรรมของมนุษย์คือศีลห้าและกรรมบทสิบจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตที่เป็นมานี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนักเพราะอันตรายชีวิตทั้งภายในภายนอกมีมาก ๆการที่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนักเพราะการที่เปล่า ว, ว่างอยู่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกยืดยาวนานนักบางคาบบางสมัย จึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสักครั้งสักคราวหนึ่งเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้เลย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 จะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทาให้ปฏิบัติทำความดีนั่งสมาธิปฏิบททัติธรรม ถ้าเขาพูดว่าเราดีเราก็ไม่ดีเหมือนคำเขาพูดเขาพูดว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วเหมือนคำเขาพูดถ้าเราไม่ยึดเราไม่มีจะเอาอะไรไปดีไปชั่วดี กับชั่วมันมีอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ก็ไม่มีดีไม่มีชั่วการปฏิบัตินั้นเน้นหลักการเจริญพุทธคุณเป็นส่วนใหญ่เมื่อเจริญพุทธคุณจนคล่องตัวชำนาญแล้วก็ให้พิจารณากายยคตาสติเมื่อพิจารณากายยคตาสติ พิจารณาอสุภะกรรมฐานจนคล่องตัวจนชำนิชำนานแล้วก็ให้พิจรารณาธาตุกรรมฐานพิจรารณากายแยกออกเป็นาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ แล้วก็พยายามพิจารณาว่าในร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไรมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้น สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในเมื่อฝึกฝนอบรมให้พิจารณาจนคล่องตัวจิตก็จะมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาทั้งนั้น จะว่ามีตัวมีตนใน เ, เมื่อแยกออกไปแล้วมันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มี แต่อาศัยความประชุมพร้อมของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณมายึดครองอยู่ในร่างอันนี้เราจึงสมมุติบัญญัติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเรา ทำให้จิตของเรามองเห็นอนัตตาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการเจริญกายคตาสติก็ดีการเจริญธาตุกรรมฐานก็ดีจึงเป็นแนวทางให้จิตดำเนินก้าว ขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสนาได้การพิจารณาความตายให้มากๆไม่ว่าคนว่าสัตว์เกิดมาแล้วก็ต้องตายเพราะเกิดกับตายเป็นของคู่กันทุกสมุทัยนิโรธมักก็มีด้วยประการนี้